คนกรุงเทพชอบหน้าหนาวคนมะ น, นาวไม่ชอบหรอกแห้งแล้งด้วยนะไฟก็ไหม้ป่าด้วยขี้ฝุ่นเยอะแถมหนาวอีกกรุงเทพร้อนเลยชอบเลยดูหนาวแต่ละคนก็ชอบอะไรต่างๆกันธรรมชาติคือยุติธรรม เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเพราะว่าจะได้เอาใจทุกๆคน <c oughs> แบ่งๆกันไม่มีหรอกนะความสุขอย่างเดียวไม่มีหรอกความทุกข์อย่างเดียวโลกนี้เป็นอย่างนี้แหละเราจะเอาตามใจเราคนเดียวไม่ได้จะสิ้นปีแล้วเนาะแป๊บเดียวปีหนึ่งผ่านเร็วมากเลย พวกเราแต่ละคนนะอายุเฉลีย่ยพวกเราประมาณสาม0มืวันสา0 0 0ื 30, วันเนะี่ยประมาณ75หปีนะเอาไปนอนซะหนึ่งในสามห้าปีเหลือตื่นอยู่ห0สิปีเฉลีย่ยห0สปีนะเป็นช่วงเด็กๆย0ปียี่สต้นๆ ไปเรียนอายุยี่ห้าแล้วยังเรียนไม่เลิกเนี่ยชีวิตเลิ่มมีปัญหามันหมดวัยเรียนแล้วมันถึงวัยทํางานแล้วไม่ได้ทํางานมีปัญหาตอนอยู่ในวัยเรียนก็หวังว่าเรียนจบแล้วจะมีความสุขเรียนจบแล้วก็ไม่มีความสุขไปทํามาหากินทําไปจนอายุหกสิบางคนหกสิยังไม่ได้เลิกเลยทําต่อไปอีก บางคนเลิกไม่ได้เลิกแล้วเสียอำนาจเสียอำนาจเดี๋ยวถูกขุดคุยเลิกน้ำรดต่อผุด <c oughs> บางคนอายุมากแล้วก็ยังต้องทำงานเลิกไม่ได้ไม่มีจะกินไม่มีคนเลี้ยงด้วยอายุเยอะขึ้นก็เจ็บป่วยบางคนเจ็บป่วยตั้งแต่เด็กเคยไปที่สถาบันมะเร็งไปเยี่ยมคนเห็นเด็กเล็กๆ ก, ก็เป็นมะเร็งนะ ก็ เ, เอเส้นแดงๆขีดหัวไปเขาจะไปผ่าหรืออะไรไม่รู้ใช้แสงเหรอเห็นแล้น่าสงสารนะเด็กเล็กๆก็ป่วยนะโตขึ้นก็ป่วยกลางกลางคนนะแก่เจ็บอะไรเงี้ยมันก็เจ็บป่วยกันตลอดน่ชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน มีแต่ความทุกข์เตมนไปหมดเลยบางคนทุกข์มากๆก็อยากตายคิดว่าตายเราพ้นทุกข์จริงๆตายแล้วไม่พ้นทุกข์นะงั้นถ้าเราทุกข์มากๆนะอย่าไปฆ่าตัวตายนะค่าตัวตายนะโอ้มันทุกข์นานกว่านั้นเองเป็นคนจะทุกข์นานสักเท่าไหร่ในชีวิตมันจะดีสักแค่ไหนมันมีความทุกข์เป็นระยะระยะนะ แต่ไปฆ่าตัวตายู้ทุกนานใครเคยเห็นผีบ้างมีไหมเห็นเห็นเห็นมีน้อยไมไม่มีหูมีตาบ้างวาเห็นแล้วรู้เลยว่าตาหน้ากลัวหน้ากลัวมากเลยเห็นก็มีข้อดีนะะไม่กล้าทำชั่วจะขยันทำบุญทำความดี คนมันทําชั่วได้นะมันไม่เชื่อว่าตายแล้วยังมีชีวิตอีกคิดว่าตายแล้วศูนหาความสุขไปชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งก็มันไม่รู้มันไม่เห็นช่วยไม่ได้แถมมันว่าคนที่รู้เห็นว่าโง่อีกเนาะงมงายจิตหลอนพวกภาวนานแล้วจิตหลอนมันก็มีจริงๆหร อ, อกที่รู้ที่เห็นนะในคำพงําพีเราก็มีเยอะแยะไปครูบาอาจารย์ท่านก็เล่าเยอะแยะ ชีวิตคนไม่ยาวนานมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทุกช่วงวัยเด็กก็ทุกข์อย่างเด็กผู้ใหญก่ก็ทุกข์อย่างผู้ใหญ่คนแก่ก็ทุกข์อย่างคนแก่มีความทุกข์อยู่ทุกช่วงของวัยมีความตายรออยู่ข้างหน้ามีความพลัดพรากจะต้องเกิดแน่นอนต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รัก สิ่งที่รักที่สุดก็คือร่างกายจิตใจของเรานี่ร่างกายนี้เราก็ต้องพลัดพรากของที่รักที่สุดพลัดพรากถ้ามีคนมาขอซื้อนิ้วเราสักนิ้วหนึ่งราคาเท่าไหร่ขายไหมให้ร้านหนึ่งขายไหมบางคนขายแต่ว่าหลายๆนิ้วโอ้โไม่ขายไมนิ้วหนึ่งอาจจะขาย <c oughs> เนี่ยตัวเราเนะคํานวณราคาออกมาสิ เราประเมินราคาตัวเราให้สูงมากเลยแต่บางคนนะยกตัวเองมาให้เราดูแลเราไม่เอาเลยนะเรารู้สึกไม่มีราคาเลย <c oughs> มีแต่ภาระแต่ตัวเราเองนะเราประเมินราคาของเราไว้สูงสูงมันมีแต่ทุกข์นะไม่มีอะไรหรอกเรามาภาวนาเพื่อจะมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตวันหนึ่งเราต้องพ้นไปให้ได้ พระเจ้าสอนนะว่าอย่างพระทั้งหลายพิสูจน์ทั้งหลายเธอมาบวชนะไม่ใช่หวังลาบสักการะหรือชื่อเสียงนะถ้าหวังลาบสักการะหวังชื่อเสียงหวังให้คนยอมรับอะนี้นห่างไกลตื้นเหลือเกินเธอมาบวชเนี่ยไม่ใช่เพื่อความสมบูรณ์ของศีล น, นะงั้นบวชแล้วภูมิใจฉันรักษาศีลดีรักษาศีลเก่งใลาเป็นศีลกิเลสซะอีกอย่างนั้นกูเก่งกว่าคนอื่นนะ เธอมาบวชไม่ใช่เพื่อสมาธินะไม่ใช่เพื่อเอาความสุขของสมาธิมาบวชไม่ใช่เพื่อเอาปัญญานะสีนสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือมาเรียนรู้ความจริงเท่านั้นเองเรียนรู้ความจริงนะปล่อยวางรูปนามได้นะเข้าสู่วิมุตติหลุดพ้นพ้นจากความทุกข์นี่พิสู่ทั้งหลายเธอมาบวช่็เพื่อความพ้นทุกข์ตรงนี้นะพวกเราไม่ได้บวช เราเป็นชาวพุทธเราเป็นนักปฏิบัติมุ่งมาสู่ความพ้นทุกข์ไม่ใช่มุ่งให้คนนับถือไม่ใช่มุ่งเพื่อรับสักการะไม่ใช่เพื่อความสมบูรณ์ของศีลสมาธิไม่ใช่เพื่อความฉลาดรอบรู้อะไรทั้งสิ้นเลยแต่เพื่อขุดลากถอนโคลนกิเลสออกจากใจเราถ้าเราคิดว่าเราเป็นพระอริยะหรือว่ากิเลสยังท่วมใจเราความทุกข์ยังท่วมใจเราต้องทบทวนให้ดีนะ ถ้ามันเป็นจริงมันไม่ควรจะทุกข์ขนาดนั้นไม่ควรจะเครียดขนาดนั้นนะกิเลสมันต้องลดต้องลาได้แต่ถ้าทําผิดนะนติดสมาธิติดเลยอยู่ติดการดัดแปลงจิตอยู่เราคิดว่าเป็นนะเวลาชีวิตมีปัญหาขึ้นมานะความทุกข์จะบีบคั้นให้เห็นเลยว่ากิเลสยังเยอะเลยอะ่ะไม่ใช่ของจริงหรอกเราจะมีงานที่ต้องทําอีกมากมายในการที่จะต่อสู้ ก, กับกิเลสของตัวเอง งานหลักของเราไม่ใช่ไปสู้กิเลสคนอื่นงานหลักของเราต้องขุดรากถอนโคนกิเลสในใจเราให้ได้มันคือศัตรูตัวร้ายของเราคือศัตรูตัวเดียวของเราะคนอื่นไม่ใช่ศัตรูของเราแร้วกิเลสของเราเนี่ยตัวร้ายเลยทําลายความสงบสุขในใจเราบางคนสบายทุกสิ่งทุกอย่างนะมีเงินตั้งเยอะมีชื่อเสียงเกติยศรูปร่างหน้าตาดีนะ คนชอบเยอะแยะไม่มีความสุขยังมีกิเลสอยู่ในใจเองเผารนจิตใจของเราเองบางคนตอนยากจนนะขยันทำงานนะหวังว่าจะมีความสุขพอมีเงินเยอะๆแล้วก็กลุ่มใจอีกกลัวค่าเงินลดรัฐบาลบริหารเก่งมากเลยเงินเฟอ้อเร็วอะไรอย่างงี้นะ นี่นะชีวิตนะหวังว่าทํางานจะเก็บเงินเอาไว้นะเงินเฟอ้อเงี้ยจะพอกินเหรอที่เก็บไวนะ้เน่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยนะรู้ไหมเรากินข้าววันละกี่คําถ้ารู้เราจะไม่กลุ้มใจครับกินวันหนึ่งไม่มากหรอกยี่สิบกว่าคำเท่านั้นถ้าไม่ได้กินเปาพื้หูฉลามยี่สิบกว่าคําไม่แพงเท่าไหร่หรอกนะ <laughs> ถ้าเรารู้จักนะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่จำเป็นในชีวิตเราจริงๆมันแค่ไหนนะจะ<ม>ไม่ค่อยกลุ้มใจเท่าไรหร่หรอกทัวันกินข้าววันหนึ่งยี่สิบคำเองหากินแทบตายเลยเพื่อจะกินแค่เนี้ยเสื้อผ้าใช้ว่าละกี่ตัวหนาวๆก็ใช้เยอะหน่อยร้อนๆไม่ค่อยอยากจะใช้ผ้าก็มีอยู่ตัวเดียวนี่แหละทั้งร้อนทั้งหนาว ท่านออกแบบมากลางๆนะชีวอนพระเนี่ยหน้าร้อนๆหน้าหนาวหนานะหน้าร้อนๆเพราะว่าออกแบบมาดีเผื่อหน้าหนาวหน้าหนาวก็หนาวนะออกแบบไว้ดีเผื่อหน้าร้อ น, นถามพระถามเน้นจริงเราใช้ผ้าก็ไม่มากนะเรากินอาหารก็ไม่มากบ้านที่เราอยู่บางคนมีหลายหลัง ก็อยู่ได้ห้องเดียวอยู่ได้ที่เดียวใครมีบ้านไร่หลังบ้างผู้ชายไม่ต้องยกนะเอาผู้หญิง <Yeah. S 1> ผู้ชายยกเดี๋ยวเกิดคดีขึ้นมา <Yeah. S 1> หุ่นวาย <laughs> อยู่ได้หลังเดียวพระเจ้าท่านเคยแสดงทําให้ฟังนะว่าจริงๆชีวิตคนเราต้องการอะไรไม่มากหรอกาบอกท่านเคยเกิดเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิมีปราศาสตร เยอะแยะเลยแต่ท่านก็อยู่ได้หลังเดียวท่านมีมเหสีมีอนุภรรยาเนี่ยแ4 0 0 0พันคนท่านบอกท่านก็อยู่ได้คนเดียวมีเมียแปดหมพันคนไปอยู่พร้อมๆกันได้ไงก็อยู่ได้คนเดียวท่านมีอาหารกินนะวันหนึ่งเป็นร้อยรอยถาดถาดหนึ่งหลายอย่างนะท่านสวยได้ถาดเดียวท่านมีรถเป็นร้อยเป็นพันคัน นั่งได้คันเดียวงั้งสิ่งที่เราใช้จริงๆนะไม่มากหรอกไม่มากเรารู้จักดำรงชีวิตนะแล้วทุกน้อยๆนยังไม่รู้จักดำรงชีวิตทุกเยอะยังไม่มีก็ดิ้นรนเป็นทุกข์อยากให้มีนะมีแล้วก็ดิ้นรนกลัวมันหายไปทุกข์ทั้งนั้นเลย ไม่เรียนรู้ความจริงนะแล้วก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาไปเราต้องพ้นทุกข์ให้ไดนะ้เราภาวนาเพื่อพ้นทุกข์ไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงเพื่อให้คนนับถือไม่ใช่เพื่อมีศีลไว้อวดกันไม่ใช่เพื่อทำความสงบจิตไม่ใช่เพื่อความฉลาดรอบรู้ในธรรมะเราภาวนานะเพื่อให้เห็นความจริงของรูปนางกายใจนี้มันจะปล่อยวางไม่ทุกข์หรอก ยังทุกอยู่ไม่จริงหรอกภาวนายังไม่จริงหรอกนะยังผิดยังมีงานที่ต้องทําอีกและยังภาวนาและยังทุกอยูนะ่งานหลักของเราคือยกระดับใจตัวเองนะไม่ใช่เพื่อชนะคนอื่นนะตั้งหลักไว้ให้ดีเว้นบางคนตั้งหลักผิดแล้วใจเป็นทุกข์เทศง่ายไหมหรือยากไหเทศง่ายแต่ทํายาก ยากมากๆเลยชนะตัวเองยากที่สุดนะยากที่สุดเลยชนะกิเลสนั่นลนยะยากที่สุดเนะมันไม่ง่ายเหมือนที่คิดหรอกอา้าวต่อไปใครจะส่งกันบ้านว่าม า, มาที่มาอยู่วัด น, นะคะ่ะมันมีกำลังมันเลยเหตุนะ้ว่าเออ โทษะไม่ใช่จิตอะค่ะอืมถูกไม่ใช่จิตหรอกค่ะโทสะไม่ใช่จิตความยินดีพอใจไม่ใช่จิตอะค่ะอืมมันมันแยกออกมาให้เห็นนะค่ะอืมแต่มันแยกได้มันก็ยังรวมได้นะมันแยกเป็นคลาบคลาบแล้วมันเห็นมันเห็นเอ่อมันขึ้นมาจากฐานของจิตอะค่ะใช่เกือบทุกอย่างเลยมันขึ้นมาจากฐานของจิตนะคะมันไม่ใช่ฐานของจิตหรอก มันขึ้นมาจากความว่างๆขึ้นมาจากกลางๆขึ้นมาจากกลางห น, น้าอกเที่ค่ะแล้วมีหงหนึ่งเดินแล้วมันปวดขาเลยไปนั่งเอ่อใจมันสงบแล้วก็สบายแต่รู้สึกอยู่แล้วเสียงมากระทบหูมันเห็นโทสะผุดขึ้นมาเที่ค่ะผุดแล้วมันก็สลายไปเออ ม, มันอย่างนั้นแหละพอหงที่สองมันก็ผุดขึ้นมาใหม่แต่ว่าไซส์มันเล็กลงค่ะ คนที่สามก็ไส้เล็กลงไปอกอกผุดขึ้นมาก็หายไปยถ้าภูมิใจนะคนที่สีเ่เบลอเลยไซส์ใหญ่<笑><笑>เอาแน่ไม่ได้นะนยังแรงรวนอยู่เมื่อเช้าสวดมนต์มันมันเห็นการทำงานอยู่ที่ตรงนี้อะค่ะเออนั่นแหละคือ <c ười> แต่ว่าคิเลสมันก็ขึ้นจากตรงนั้นนะกุศลก็ขึ้นจากตรงนั้นแหละเวลาที่อริยามรรคจะเกิดก็แวกออกจากตรงนั้นแหละแวะที่ น, น, นั้นแหละ ฉันมาหามบวดถึงมาทาแท้มันเกิดขึ้นกลางอกมันมันรู้สึกว่ามันพอรู้แล้วว่าที่หลวงพ่อชี้แน่ไว้ว่าให้ดูมันทํางานเองมันพอที่จะรู้แล้วอ่ะเจ้าค่ะดูมันทํางานนะถึงจุดหนึ่งมันก็เห็นนะมันยอมรับว่ามันไม่ใช่เรามันทํางานของมันเอง แต่ว่ามันมันจะเห็นสัญญาขึ้นมาบ่อยจ้าค่ะสัญญาทํางานสิสังขารก็ปรุงก็ถูกบางทีอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์นะสังขารก็ปรุงขึ้นมามีเวทนาเกิดขึ้นสังขารก็ปรุงบางทีอานสายสัญญาผุดขึ้นทางใจสังขารก็ปรุงงั้นสัญญากับเวทนาเนี่ยเป็นปัจจัยให้สังขารทํางานหนึ่งเรียกมันว่าจิตตสังขาร สิ่งที่เรียกว่าจิตสังขารนี่ตัวสัญญาเวทนานั่นเองแต่คือแต่ว่าบางครั้งมันก็เห็นตัวตนมันแทรกขึ้นมาบ้างเวลาเผลอเด่๋ดียังไม่ใช่พระอริยะเป็นอย่างนั้นถูกต้องแนละ้วดีที่เห็นอย่างนั้นอ้าวต่อไปค่ะหลวงพ่อรู้สึก อ, อ, อยากขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะว่าสภาวะเนี่ยรู้อย่างที่เขาเป็นสินะ เราไปคาดหวังอย่างอื่นทําไมเราไม่ยอมรับสภาวะที่กําลังปรากฏต่อหน้าต่อตาเราอยากให้ดีไหมอยากให้ดีกว่านี้ไหมเพราะแล้วก็รู้สึกมัน อ, อ, อยู่วัดแล้วรู้สึกก็ดีอะค่ะสบายใจตอนนี้ก็รู้สึกปฏิบัติในวัดมีกําลังมากกว่าอยู่บ้านแต่ชีวิตเราอยู่ที่ไหนเราต้องปฏิบัติที่นั่นนะ งัเราอยู่ที่บ้านเราก็ปฏิบัติอยู่บนทถนนก็ปฏิบัติอยู่วัดก็ปฏิบัติชีวิตเราอยู่ตรงไหนปฏิบัติตรงนั้นเพราะจริงๆแล้วปฏิบัติที่กายที่ใจนี่กทราบค่ะท่นี้ต้องเคยเคยอยู่ที่กรุงเทพก็รู้สึกว่ากิเลสนี่มันอยู่ชั้นนอกใช่ไหมะใจเนี่มันตรงกลางประทาน ม, มันก็ดูแต่ตรงใจอยู่<ม>แยกกับกิเลสต้องระวังอันหนึ่งต้องไม่มีการประคองใจไว้นะ ถ้ามีการประคองแต่นิดเดียวแล้วมันแยกกันเนี่ยมันของปลอมนะต้องดูสังเกตยังไงครับว่ามันนิ่งๆใช่ไหมถ้ามันนิ่งอะ่ะมันเห็นชูอย่างเคลื่อนไหวนะแต่เหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งตังกลางมันเหมือนนิ่งๆด้วยคะ่ะนั่นแหละอนนอย่างนั้นไม่ไดีให้มันเคลื่อนไหวไหม ค, นะคือปฏิบัติในว่ารู้สึก ไม่ไม่ไม่ตึงไม่เครียดค่ะรู้สึกสบายสบายมันรู้ก็รู้ของมันเองอะไร อ, อย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละไปทําเอานะคือคง อ, อยู่กับธรรมชาติอยู่ในบ้านมันคงเล็กๆอึดอัด อ, อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืเนี่ยดูให้รู้ทันรู้สบายสบา ย, บายอย่าไปจ้องถ้าไปจ้องนะจะมีตัวหนึ่งนิ่งถ้าเหลือตัวนิ่งนะผิดแน่นอนนะะ <Okay. S 2> จําไว้นะถ้าเหลือตัวนิ่งใช้ไม่ได้นะอืหลวงพ่อค่ะแล้วสภาวะของโลกอย่างเงี้ยมันรู้สึก ที่ศีะมันเป็นหนักแต่ว่าจิตเราเบาๆไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะจิ ต, จตเบาๆเดีย๋ยวไปประคองให้เบาก็แล้วกันประคองไว้มันก็เบาได้นะก็สังเกตว่ามันมันแล้วอันไหนมันธรรมชาติถ้าจิตที่เป็นธรรมชาติเนี่ยจะเบิกบานนะเบาบรู้ตื่นเบิกบานนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวนะไม่หนักแน่นแข็งซึมทื่อนะหนักแน่นแข็งซึมทื่อของฟลอม แล้วสภาวะรู้สึกมันสวนทางกันเนี่ยมันเป็นยังไงสวนทางก <c oughs> ็ที่สภาวะจังกายมันหนักแต่สภาวะทางใจมันเบาๆไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอา้าวต่อไปมันจะเปลี่ยนนะเป็นกายละหูตาจิตละหูตากายเบาใจเบาแต่คําว่ากายเนี่ยเป็นกายะสังขะกายกายหมาถึงนามกายไม่ใช่ร่างกายหอกงั้นร่างกายเป็นอะไรก็ได้นะแต่ใจไม่ทุกข์ ใจมันเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยทุกอะไรอย่างเงี้ยใจต้องไม่แค่ไม่ทุกนะเบิกบานด้วยรู้ตื่นเบิกบานสงบเบิกบานถ้าภาวนานแล้วไม่มีคําว่าเบิกบานเลยนะผิดแน่นอนภาวนานแล้วเครียดเนี่ยผิดแน่นอนภาวนานแล้วเบิกบานอย่างเดียวเลยก็ดีก็ะดาไม่มีความสงบผิดอีกแล้วนตะ้องสงบด้วยร่าเริงด้วยหลวงพ่อมี ทำอะไรชี้แน่ไหมคะกลับไปบ้านชี้มาตัวเหนื่อยแล้วนะชี้มาเยอะแล้วไปทำเอา อ, อย่าไปดัดแปลงมันรู้มันนี่สําคัญที่สุดเลยอย่าดัดแปลงมันรู้อย่างที่มันเป็นอ้าวเห็นความตื่นเต้นไหมเห็นจ้อค่ะอททำอะไรมันได้ไหมทำอะไรไม่ได้จ้ะทำอะไรไม่ได้นะแค่รู้ไปเห็นไหมว่ากายกระใจคนละอัน เห็นไหมว่าความรู้สึกกับใจเขาโคนล้านกันสุขทุกข์ดีชั่วกับใจเป็นโคนล้านกันนะเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจ้าเนี่ยแหละร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นแค่คนรู้นะเยเห็นไหมตัวนี้พยักหน้าเห็นไหมตัวนี้ยิ้มเห็นจ้าเนี่แหละเห็นอย่างนี้นะแต่ไม่ใช่จ้องเขายิ้มละย่างี้ไม่ได้นะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาที่สุดเลย ไปทําอีกอยากจะกราบทรีนถามเพิ่ ม, เ ต, มเติมถึงการเจริญปัญญานะครับในกรณีที่เรานิ่งๆเฉยๆมันจิตมันเข้าฐานแล้วแล้วมันก็ไปเป็นกลางแล้วมันก็จะไม่มีอะไรให้เราดูมีสินะให้ตามองเห็นรูปเนี่ยจิตก็มีอะไรขึ้นมา ให้หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสเดี๋ยจิตก็มีอะไรให้ดูให้ใจมันคิดเดี๋ยวจิตก็มีอะไรให้ดูมดดม ไ, ดไม่ใช่ไปรักษาความรู้สึกตัวอยู่เฉยๆเนี่ยที่หลวงพ่อพูดเมื่อเช้าบางคนสอนวะ้าให้รักษาความรู้สึกตัวอยู่เฉยๆไม่มีอะไรให้ดูหรอกว่างๆ ค, คิดว่าพระละหาันละหันปลอมอยงนั้นครับเพราะฉะนั้นจิตไม่นิ่งหรอกครูบาอาจารย์สั่งนะระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยนะครับนั้นให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอา ร, รมณ์ไป ในจิตเขาไม่เฉยหรอกอหครับกรรมฐานจริงๆไม่ได้ยากอะไรหรอกตาเห็นรูปนะความรู้สึกเกิดก็รู้หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสความรู้สึกเกิดก็รู้ใจคิดนึกปรุงแต่งความรู้สึกเกิดก็รู้แค่รู้เท่านั้นและจะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปนะต้องการแค่นี้ไม่ได้ต้องการดีไม่ได้ต้องการสุขไม่ได้ต้องการสงบ ต้องการให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเอาแค่นั้นเองเมื่อที่เกัสมัยก่อนมีกุลาขึ้นครับแต่วันนี้รู้สึกมันมันรับลงไปหน่อยอจิตไม่มีกําลังทํำยังไงดีก็จหายใจไปรู้สึกไปนะพอนาเป็นแล้วละ่ะหมอเห็นไหมขันมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของดูออกไหมครับเห็นไหมมีการทํางานแต่ไม่มีผู้กระทําครับเห็นขันมันกระทานะ มันทําของมันเองแต่ไม่มีคนทําครับนะเนี่ยเรียกว่าเราภาวนาเป็นมีขันแต่ไม่มีเจ้าของขันก็เป็นของมันเองทํางานของมันไปไม่มีเราผู้ทางานด้วยครับทํำยังไงมันก็ไม่มีถ้าเราภาวนาจนมันถึงจุดที่แน่นอนแล้วเนี่ยไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะมีเพราะไงมันก็ไม่มีเี่ยฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะ เช่นวันหนึ่งขันแตกขันดับขันแตกขันดับใครตายขันมันแตกขันมันดับไม่มีคนตายหรอกเวลามันเจ็บขันมันเจ็บนะบไม่มีคนเจ็บหรอกเนี่ยเฝ้ า, าดูเฝ้าดูเรืยๆสบายมีความสุขเรียกว่ามีชีวิตที่ดี <c oughs> <c oughs> เจ็บป่วยแต่ร่างกายหรอกใ น, นใจที่ฝึกดีแล้วไม่ทุกข์หรอก ฝึกไปนะตอนนี้ยังทุกข์อยู่ครับพวกเราหวงขันเราต้องเดินปัญญาให้เห็นนะขันเป็นตัวทุกข์ครั บ, รบทําไมจิตไม่วางขันจิตเห็นความจริงแล้วว่าขันไม่ใช่ตัวเราแต่จิตไม่วางขันรู้ออกไหมครับอจิตไม่วางขันเพราะยังไม่เห็นความจริงของขันว่าขันเป็นตัวทุกข์เรียกว่ายัางรู้ทุกข์ไม่พอครับนะ เรารู้สึกอยู่ในขันนี่แหละในทั้งรูปประขันทั้งนามะขันนะเราก็เห็นเลมันมีแต่ตัวทุกข์นะมีแต่ภาระมีแต่ความบีบคั้นมีแต่ของบังคับไม่ได้มีแต่ของแปลปลวนเรียนรู้ขันต่อไปเมืนะ่อมันแจ้งขันแนละ้วโอ้ขันนี้ไม่ใช่ของดีหรอกจิตจะวางขันเองตัวที่จิตวางขันนะั้จิตจะวางไปเป็นลําดับลําดับจิตจะวางรูปไปก่อนนะปล่อยรูปไปก่อน ถ้ามันปล่อยจิตที่หลังก็นะลปล่อยรูปได้นะเราจะไม่ทุกข์เพราะรูปอีกต่อไปละถ้ามันปล่อยจิตได้เราจะไม่ทุกข์เพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งอีกแล้วความเกิดจะมีไม่ได้ก็นะจิตจะไม่อย่างเข้าะไปในขนดดันอัใดอันใดอีกนะไปฝึกเอาไปนะเอาใครจะคุยกับหลวงพ่อมีไหม หลวพ่อเจ้าขาตอนนี้มันมีความสุขลึกๆอยู่ตรงฮะไทยวัตถุอะค่ะตรงกลางๆอกค่ะมีความสุขก็ดูไปนะไม่ใช่ของเราแล้วมันมีราคาไหมเจ้าค่ะฮะชอบไห<น>มถ้าชอบก็เป็นราคาชอบแต่มันไม่เยิ้มเยิ้มอะค่ะมันไม่คุมหัวอะค่ะเออก็มีราคาเล็กน้อยแล้วราคาเยอะก็คลุมหัวนะโทสะเยอะก็คลุมหัวนะ อ, อนี่มันมีนิดหน่อยออนะต้องรู้มันด้วยความเป็นกลาง มีความสุขได้ไหมมีความสุขได้แล้วก็ควรจะมีความสุขด้วยความสุขเราภาวนาเรามีใจเป็นบุญเป็นกุศลใจมันจะมีความสุขนะมีความสุขเกิดขึ้นเนี่ยพอเรามีสติรู้ไม่จำเป็นต้องดับเราก็มีความสุขไปแต่ถ้าใจเรายินดีพอใจมีราคะขึ้นมาให้รู้ทันราคะจะดับนะแล้วเราก็มีความสุขต่อไปตามกาลังของบุญที่เรามีค่ะ โยมมีคำถามว่ามีอยู่ช่วงหนึ่ง เ, เจ้าค่ะโยมรู้สึกว่าอะไรมันใสไปหมดเลย เ, เจ้าค่ะ อ, อันนั้นเป็นผลของสมาธิแล้วมันไม่มีขอบเขตไปเรื่อยๆมันไไม น, น, นั่นเป็นผลสมาธิน ะ, ะใจเราไปค้างอยู่ในสมาธิมันใสใสว่างว่างสบายโลง่งนิ่งๆอิ่มเ อ, อิบนะเนี่ยแหละบางคนไปหลงเลยนะนี่แหละคงจะที่สุดแห่งทุกข์ละว่างสว่างบริสุทธ หยุดความปลูปแต่งหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรซัอย่างก็เหลือไอ้นี้แหละเหลือไอ้ไว่างนี่แหละนะยังมีอยู่นึกค่ะแล้วหลังจากนั้นนะเจ้าค่ะโยมก็เห็นว่าเอ่อความความอยากทําบุญที่มันที่ตอนรแรกเรารู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีเจ้าค่ะความกระตือรือร้นในการปฏิบัติธรรมหรือว่าการอยากทําบุญเนี่ยมันลอยห่างไปอะเจ้าค่ะห่างจน แต่ต้องไม่เลิกนะแล้วก็ความความความรักครอบครัวความอยากอยู่กับครอบครัวก็ลอยหายไปนะจ๊ะค่ะแล้วมันก็ว่างแล้วแล้วก็เวิ้งว้างแล้วโยมก็ก็กลัวว่าจะปฏิบัติผิดนะจ๊ะค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าความศรัทธานในพระพุทธศาสนามันหายไปด้วยเออนะอย่างนั้นต้องผิดแน่ๆเลยจิตไปติดว่างไปติดความว่างแล้วกลับมาดูกายมาดูใจของเราเอง เค่ะนะย้อนกลับมาที่กายที่ใจนี่นะแ ล, แล้วควรจะดูความเวงมิงวางไหมเจ้าคะหรือว่าอย่าตา ม, ม, มดูไปไอ้เวิงวางนี้ยิ่งดูยิ่งไปไกลนะ<อ>กลับมาที่กายที่ใจนี่เจ้าค่ ะ, คะก็หลังจากนั้นก็โยมก็พูดโทรศัพท์กับเพื่อนแล้วก็ทำนู่นทานี่มันก็หายไปเจค่ะแล้วก็กลับมามีอารมณ์อยู่ตรงขทายวัตถุเหมือนเดิมถูกแล้วนะเขาทำงานน ะ, ะแต่ดูไปสบายสบาย ดูแบบมีก็มีให้ดูไม่มีก็ช่างมันเนี่ ย, ยไปรักเนี่ยไปเกลียดมันถ้ารักก็รู้ถ้าเกลียดก็รู้ตอนนี้โยมพุทโธหนึ่งถึงร้อยทุกวันเลยจ้ะค่ะแต่ออดูกายด้วยได้ดได้ดพุทโธได้เรื่อยๆเอาวันละร้อยเดียวเหรอรนะ้อยเดียวพอทำผิดก็ต้องเริ่มใหม่อ้อไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นนะผิดก็ไม่ต้องเริ่มหลงนึกไก็ตอไปเลยแล้วพอถึงร้อยก็นับหนึ่งใหม่ พุทโธหนึ่งใหม่นะทำให้ได้ทั้งวันเลยยิ่งดีแต่พุทโธเร็วไม่ได้ตามลมไมเจ้าค่ะไม่จำเป็นพุทโธอย่างเดียวก็ได้พุทโธหนึ่งพุทโธสองนี้เหลอค่ะได้พุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสพุทโธสอ่เอาลืมไปละถึงไหนเอถึงสี่อาพุทโธหพุทโธหงนี้นะไม่ต้องกลับมาน้ำหนึ่งใหม่ถ้าถึงร้อยเนี่ยต้องน้ำหนึ่งทั้งวันแหละแป๊บเดียวก็ลืมเค่ะกล่าวขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้ค่ะนะใครรู้สึกกายรู้สึกใจไว ก็ยมพยายามจะรักษาความต่อเนื่องความเพียรต่อเนื่องเจ้าค่ะก็ภาวนาในรูปแบบมาเกือบปีเจ้าค่ะก็ในระหว่างภาวนากออ็หนูไม่แน่ใจว่าเป็นมิจฉาสมาธิหรือเปล่าค่ะคือว่าฟุ้งซ่านเยอะแล้วก็หาความสงบในการรู้ทันมันไม่ค่อยมีเจ้าค่ะไม่เป็นหรอกไม่เป็นมิจฉาหรอกนะรู้สึกไปเห็นไหมว่าขันมันแยกได้ เห็นไมมกายกับใจโคล่านเนี่ยนี่ดูออกไหมเห็นสุขทุกข์ดีชั่วกับใจเป็นโคล่านดูออกไหมยังไม่ค่อยออกเยะค่ะเห็นไหมร่างกายมันพูดเห็นไหมร่างกายมันพยักหน้าแล้วจิตมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแบบไม่ได้บังคับให้แข็งแข็งนะถ้าแน่นๆนเน้นมากไปแต่จิตไม่กระจายออกนอกก็จะรู้สึกอยู่ในใกายหเห็นร่างกายกระใจเนี่ยโคล่านกัน สุขทุกข์ดีชัว่วกระใจก็าคนละอนกันเราก็ดูเ้าทํางานไปเรื่อยเราจะเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของเป็นทุกข์เห็นแต่ของไม่ใช่ตัวเรานะดูไปบ่อยๆเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นมันถึงจะเห็นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่เห็นหรอกแล้วหนูมีอะไรที่ควรจะให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนออกไปถ้าจิตเคลื่อนไม่ถึงฐานให้รู้ทันแต่ว่าไม่ให้ประคองไว้ที่ฐานรู้ทันแค่ว่าจิตมันไหลออกไป ให้เรารู้เอ า, นะเ ร, ารู้เอารู้สึกเบิกบานไหมแมนะ้พอมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะนะมีปีติเกิดขึ้นันะปีติน้าตาจะไหลอะไรเงี้ยนะแล้วก็รู้ทันว่ามีปีติก็เห็นในปีติกระจิตก็โคลรนกันมนะ้ทุกอย่างมาแล้วไปหมดอนะทุกอย่างผ่านมาผ่านไปหมดรู้สภาวะไปสภาวะจะแสดงใจลักตลอดเวลา นามัสการหลวงพ่อครับผมก็ทำทำตามรูปแบบครับดีขึ้นครับหลวงพ่อแต่ผมรู้สึกว่าช่วงเมื่อกี้เนี้ยราคะกับโทสะเนี่ยมันพาไปครับเวลาโดนกิเลสที่พวกราคะหรือโทสะโดยเฉพาะโทสะเนี่ยทําให้จิตมีกําลังอ่อนลงครับเออราห้ามมันไม่ได้หรอกนะราคะโทสะเกิดเราก็สักว่ารู้ว่าเห็นไปที่สําคัญนะบางทีมันเป็นของข้างนอกก็มี ธรรมะภายในธรรมะภายนอกบางทีคนอื่นมันส่งมาก็มีนะเราแค่เห็นแค่รู้แล้วใจเราก็ยินดีรู้ทันยินร้ายก็รู้ทันรู้ทันจิตใจของเราไปอย่างเงี้ยสภาวะอะไรก็ได้นะจะดีก็ได้จะเลวก็ได้จะสุขก็ได้จะทุกข์ก็ได้นะจะเป็นของภายในก็ได้ของภายนอกก็ได้จะเป็นสิ่งที่หยาบก็ได้สิ่งที่ละเอียดก็ได้สิ่งที่ใกล้ก็ได้สิ่งที่ยมาไกลๆก็ได้ แต่ไม่ว่าจะรู้สภาวะอะไรแล้วเนี่ยยินดีรู้ทันยินรไลรู้ทันไหมเนะท่านี้ก็พอแล้วผมยังโดนกิเลสครอบงําอยู่ง่ายอยู่ครับหลวงพ่อรเรื่องธรรมดานะ ค, คุณหมอไม่ใช่พระอรหันยังไงก็ต้องโดนตอนนี้จิตเนี่ยมันยังไม่ถึงฐานครับหลวงพ่อครับกําลังนี้ดีขึ้นครับโอ้เกมใช้ได้นะรู้ตัวเองได้ถูกต้องดี หลวงพ่อครับบางทีเนี่ยศีลผมยังด่างพรอยอยู่ครับหลวงพ่อเออก็ตั้งใจรักษาก็มันด่างเป็นเวลามันไม่ได้ด่างยีิบสี่ชั่วโมงหรอกครับผมตอนไหนด่างแล้วเราก็ตั้งใจรักษาไว้แต่พออย่างเช่นล่วงศีลไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นจิตมัวลงชัดเจนเลยครับใช่ต่อไปเราจะไม่กล้านะรเราจะละอายใจที่จะผิดศีลเราจะเกรงกลัวผลของการผิดศีลหิริอตตปะจะเกิดขึ้นนะหิริอตตะปะนี่เป็นพลังนะ เรียิริภาระอุตตปะภาระยังกําลังบางครั้งราคะนี่มันครอบงำครับหลวงพอ่อบางทีเนี่ยผมต้องสู้กับมันเพื่อเพราะบางครั้งเนี่ยแค่มันเกิดแล้วเราจะไปใกล้กับมันเนี่ยมันอาจจะล่วงผิดศีลได้ครับหลวงพอ่ออย่ายังไงก็รักษาศีลศีลนี่นเป็นมาตรฐานขั้นต่ําของเราละตั้งใจไหมอย่าให้ผิดตรงนี้ยส่วนกิเลสเนี่ยวิธีสู้กิเลสเไม่ใช่ต่อต้านนะกิเลสเหมือนน้ํา เราไปกั้นมันไม่ไหร่นะมันมีพลังมากมให้มันผ่านมาแล้วเราเป็นแค่คนดูค่อยๆแยกขันไปให้เห็นในราคากับจิตเนี่ยคนระอันกั น, นต่างคนต่างอยู่ราคามาก็ไม่ว่านะแต่ว่าไม่เกี่ยวกับจิตค่อยๆดูอย่างนี้ได้ๆถ้า ไ, ไปมันก็ค่อยหมดแรงไปถ้าเราไปต้านเนี่ยสู้ไม่ไหวหรอกก่อนหน้านี้ผมต้านตลอดครับหลวงพ่ออแต่ก็สู้ไม่ไหวจริงๆไม่มีทางครับนะต้องทําตัวเหมือนเรือนะ ทอดสมออยู่ในน้ําไม่ไหลตามน้ําไปแต่ก็ไม่ต้านน้ําเราไม่ตามกิเลสไปแต่ก็ไม่ต้านกิเลสเห็นกิเลสผ่านมาผ่านไปเหมือนน้ําไหลผ่านเรือไปท่านเองหลวงพ่อผมต้องเพิ่มสมถะใช่ไหมครับทำทุกวันนั่นแหละสมถะอย่าทิ้งนะให้ใจได้พักผ่อนให้ใจได้มีแรงนะใจมันว้าวุ่นไปทนี้นนครับหลวงพ่อแต่พอสัมผัสกับธรรมมาปุ๊บมันก็สงบลงเลยครับผม แต่บางครั้งเนี่ยกิเลสมันมันหลอกครับหลวงพ่ออย่าไปเกลียดมันครับหมอรู้สนไหมหเกลียดมันพอพูดถึงกิเลสนะต้องมีเสียงเนะี้ย <c oughs> ไม่ต้องเจ ต, ตรงเจตโตหรอกฟังเสียงก็รู้แล้วพอเสร็จแล้วครับหลวงพ่อครับเมื่อครั้งที่แล้วที่พาคุณพ่อคุณแม่มาร่วมภาวนาด้วยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มีสติดีขึ้นมากครับบุญ น, นะนี้ขอโยธาบ่ายหลวงพ่อนะครับสาธุนะ เป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดเลยนะนมาสการครับหลวงพ่ออ <ừ> คือผมเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกนะครับ <ừ> คือผมอยากจะทราบ ว, วิธีการควรจะเริ่มต้นยังไงดีครับในการภาวนาการภาวนาหน้ามีสองขั้นตอนนะขั้นแรกรู้สึกตัวให้เป็นพอรู้สึกตัวได้แล้วกขั้นที่สองดูกายเขาทางานดูใจเขาทางาน คนในโลกนี้ไม่รู้สึกตัวใจลอยทั้งวันรู้จักใจลอยไหมครับเป็นเป็นบ่อยๆเอแล้วให้รู้สึกตัวบ่อยๆวิธีจะรู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยก็คือรู้ทันเวลามันใจลอยไปครับผมงั้นเบื้องต้นทํากรรมฐานสักอย่างนะจะพุทโธก็ได้จะรู้ลมหายใจก็ได้แล้วใจลอยไปเรารู้ทันนะบางทีก็ใจลอยไปคิดบางทีก็ใจลอยเข้าไปอยู่กับลมหายใจก็มีนะรู้ทันใจที่มันเคลื่อนไปมันลอยไปรู้บ่อยๆไม่ห้ามนะ แต่รู้บ่อยๆแล้วความรู้สึกตัวจะเกิดพอความรู้สึกตัวเกิดแล้วเนี่ยดูกายดูใจทาําเวลาใจแอบไปคิดนะค่อยรู้หายใจไปหายใจสบายๆหาย ใ, หใจอย่างผ่อนคลายลใจแอบไปคิดก็รู้ใจไปสงบลงมาก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้หายใจไปแล้วรู้ทันจิตไปนะทําอย่างนี้นะครับไม่ยากหรอกครับนกกรเมศวรหลวงพ่อครับก็ทํามา8เดือนนะครับ แล้วก็คราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าขันเริ่มแยกแล้วครับแต่ว่าผมก็ยังสังเกตไม่ออกครับถ้าใจไม่ถึงฐานนะดูไม่ออกหรอกอถ้าใจมันกระจายมันโล่งมันว่างออกไปข้างนอกนะมันก็จะไม่เห็นขันทำงานพยายามกลับมารู้สึกอยู่ในร่างกายรู้สึกอยู่ในจิตใจนะให้ใจมึ่งย้อนกลับเข้ามาหาตัวเอง ก็ด ja, right. qu ูเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมได้เห็นร่างกายมันทํางานไปนะเราค่อยรู้สึกไปรู้สึกครับอืมครับก็เดี๋ยวขอโอกาสหลวงพ่อด้วยครับพอดีอาผมมาด้วยครั้งแรกครับก็ยังครัไงไปฟังซีดีหลวงพ่อมายังก็ได้ฟังบ่อยๆเจ้าค่ะนั่นแหละฟังแล้วมันก็พอนะเป็นนะะมันไม่ยากหรอกสังเกตไหมใจเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันนะะดูบอกไหม ก็พยายามสังเกตอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่เจ้าค่ะดูกายไปถ้าดูจิตไม่ออกก็ดูกายเจ้าค่ะยิ้มซิยิ้มหวานหวนยิ้มแล้วใจแข็งแข็งไหมก็แข็งแข็งเออเนี่ยอย่างนี้เรีวาเรารู้ทันจิตเจ้าค่ะเคลื่อนไหวไปแล้วก็ถ้าจิตใจเรามีความรู้สึกอะไรขึ้นมาเราก็รู้เอาเจ้าค่ะรู้กายไปมีอะไรเกิดขึ้นที่ใจก็รู้เอารู้เองเจ้าค่ะ ไม่ต้องจงใจรู้นะจงใจรู้จะแน่นไปนัสกสการ์พรารา์ค่ะวันนี้จิตใจสบายดีค่ะเพราะว่าอากาศดีค่ะโอ้สบายเพราะอากาศเราต้องสบายได้ด้วยตัวเองนะอากาศร้อนก็ต้องสบายให้ได้เห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายพยักหน้ารู้สึกกายบ่อยๆนะ เรารักกายมากดูกายเยอะๆใจเป็นคนดู <c oughs> เวลามันดูไปดูไปนะั้นถ้าใจไหลไปคิดจะให้รู้ทัน <c oughs> ไปทำอีกไป <c oughs> นมัสการค่ะเอ๊ะแล้วที่ศ1นย์หนึ่งหนึ่งคือความรู้สึกตัวมันดับเกิด <c oughs> มันดับเห็นแค่นั้นพอแล้วแค่นั้นก็พอใช่ไหมคะหนูเห็นใจอะไรอะ อย่างนั้นก็คือไปเรื่อยๆของมันนั่นแหละค่ะก็นั่งร่วมใจกลัวไม่ฉลาดค่ะแล้วตอนหนูเห็นสเต็ปตอนถอยกลับออกมานะฮะหนูรู้สึกบางครั้งจิตเขาจะไม่ค่อยอยากถอยเขารู้สึกไม่อยากมีภาระนะคะรู้สึกไม่ไม่ใครรู้ทันว่าจิตไปติดสุขอันนั้นคือติดสุกใช่ไหมคะมันติดสุขแล้วมันจะไม่อยากเดินปัญญา ใช่ค่ะหนูเวลามีปัญหาคือหนูนั่งมานานแล้วมันเขาไม่ปัญญาหนูจะมีตอนที่แบบอยู่ในชีวิตประจาําวันเงี้ยเขาจะผุดขึ้นมาเรื่อยๆ <S <S ปัญญาอย่างนั้นบางทีก็เชื่อไม่ได้น ะ, ะบางทีจิตมันปรุ่งขึ้นมาอะงั้นพยายามรู้สึกตัวนะสบายๆดูเขาทํางานไปอย่าไปคิดนําอือย่างนั้นมันมีเห็นใจที่อยากพูดไหมเห็นค่ะออนะดูตัวนี้ให้บ่อยนะ ดูบ่อยๆความอยากทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจให้คอยรู้ทันไว ม, มันจะมีความอยากนานาชนิดเลยเกิดขึ้นมารู้บ่อยๆนะรู้แล้วดีค่ะหนูมีคําถามสุดท้ายค่ ะ, ะหนูรู้สึกว่าคือมีบางช็อตที่เห็นความไม่ยึดเหนี่ยวแล้วหนูก็เป็นทุกข์กับมันนะคะร้ อ, องไห้เลยอะ่ะใจมันยังยอมไม่ได้เศร้ามากเสียดาย ชนะเพราะว่ามันยังรู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เป็นของดีของเราเราก็ภานาเราดูกายดูใจเรื่อยๆไปนะสุดท้ายปัญญามันมากขึ้นมันเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์ไม่เสียดายแล้วที่จะทิ้งมันตอนนี้ยังรักอยู่ชไปดูอีกยังดูไม่พออวันนี้มาให้หลวงพ่อทุบเลยล่คะค่ะ<อ>มีความรู้สึกว่าหลังๆมานี้ห่างจากาศาสนามากแล้ว ค่อนข้างจะจิตยแย่มากๆหนูมีความรู้สึกว่าหนูแย่ลงอ่ะง่ายๆอยากให้หลวงพ่อดุเลยฮะมาคราวนี้อ้าวดุดูดูเห็นไหมขันมันแยกได้พ่อนาจนขันแยกแล้วกุ้มใจอะไรกลัวไม่ดีหรือมันนิ่งมากมากกว่าหลวงพ่อมันเหมือนกับวันถ้าไมไถ้า<อ>ถ้ามันนิ่งก็น้อมใจกลับมาดูมันทำงานนะ ต้องจงใจกลับมาดูมันทำงานเลว่าถ้าใจมันยังนิ่งอยู่ก็ดูกายเห็นไหมร่างกายมันหายใจอยู่ค่อยๆดูไปเห็นไหมร่างกายเป็นเปลือกอะไรอย่างหนึ่งไม่ใช่ตัวเราหรอกดูงนี้เรื่อยๆนะย้อนมาดูกายบ่อยๆถ้าไปย้อนดูจิตแล้วมันจะว่างๆไปดูกายไว้ซึมคราวันนี้โทสะอ<ะ>ัแรงมัน ดันแน่นไปหมดเลยค่ะใครมันดันเราแรงมันอยู่ในอกเนี่ยค่ะอ๋อเคยรู้ทันใจที่ยินดีใจที่ยินร้ายไหมค่ะรู้บ่อยๆนะสภาวะอะไรก็ได้แต่เกิดขึ้นแล้วไม่ชอบรู้เกิดขึ้นแล้วก็ชอบรู้นะให้รู้ทันใจที่ชอบใจที่ไม่ชอบรู้บ่อยๆฝึกอย่างนี้ละภาวนาเพื่ออะไร อย่าไุ่งกับใครเขเลยเราพาวนาของเรานะเราไม่ได้พาวนาให้คนนับถือเราหรอกเราไม่ได้พาวนาเอาอะไรเราพาวนาลดละกิเลสดูออกไหมใจเราเศร้าหมองยังได้อยู่นะถ้าใจยังเศร้าหมองได้เนี่ยแสดงว่าเรายังมีงานที่ต้องทําอีกเยอะเลยเพราะงั้นมันเป็นเวลาที่เราจะต้องสู้ของเราเองนยุ่งกับคนอื่นมันก็เพิ่มกิเลสของเราเราดูของเราเองสบายที่สุดเลยนะ เราห้ามคนจะคิดอะไรกับเราเนี่ยเราห้ามไม่ได้เราไปบังคับใจคนอื่นไม่ได้ลเราเอาภาวะนั้นมาฝึกตัวเราเองหลวงพ่อขยานนะมีคนเขียนถึงคุณแม่จันดีลูกศิษย์ท่านอะ่ะคุณแม่จันดีบอกว่าถ้าคนดูถูกเจ้าเจ้ายอมรับได้ไหมอะไเงี้ยบอกไม่ได้บอกถ้าเจ้าเป็นภ้าขีริ้วไม่ได้นะแม่ก็สอนเจ้าไม่ไหวหรอกก็เป็นภ้าขีริ้วไม่ได้เลย ่าเพื่อนยังไงก็ไม่เป็นไรนะใครจะเหยียบพยรยา่ำไม่ใช่ในยะสำคัญเลยสิ่งที่เราต้องการมันดีกว่านั้นเราอย่างทุกอยู่เราต้องภานาอีกนะไปยุ่งกับคนอื่นไม่ดีเสียเวลากิเลสเขาก็ให้เลือกเขาจัดการกิเลสเราเราจัดการของเราเองนะไปทำเขาส่วนคนจะรู้สึกกับเรายัางไงเรื่องของเขาห้ามมันไม่ได้หรอกอย่างหลวงพ่อนะี่ไม่ได้ไปทำไรใครคนมันก็ด่าเมื่อก่อนเนี่ยนะ เดี๋ยวนี้ก็มาขอขามากันรายวันเยอะแยะเลยนะมันเรื่องของโลกอ่ะมันด่าหลวงพ่อก็่วยนะมาขอเข้ามาเราก็ให้ให้ให้ได้หมดภาระไปะเราไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องข้างนอกนะเอาของเราเากลับบ้านเราพลาังเราอยู่ของเราลำพังพนัดีที่สุดเลยยุง่งเหรอคนร้อยคนก็มีผันเรื่องคนหนึ่งไม่มีเรื่องเดียว <laughs> อหมดละอ้าบเชิญกลับบ้าน